ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะได้พูดเรื่องพระเทรรรูปหนึ่งคือเรื่องของพระเรวตะแต่ว่าในตอนหลังท่านเรีย ก, กว่ากังขาเรวัตหรือกังขาเรวตะติที่แปลว่า พระเวทผู้มักสงสัยหรือมากไปด้วยความสงสัยท่านเป็นกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีได้มีศรัทธาเลื่อมใสก็ออกบวชในพระธรรมบินยัยแต่เมื่อบวชแล้วท่านศึกษาแล้วเรียนพระธรรมบินัยไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องความเครียดแคร่งสงสัยคือท่าน ไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องของตัวบทพระวินัยคือพระวินัยเนี่ยไม่เป็นบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นก็เรียกว่าเป็นพุทธานาเป็นอำนาจของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติเพื่อจะควบคุมพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาบวชก็ควบคุมได้เฉพาะกลุ่มสาธรรมิกทั้งห้านะฮะ หรือภิกษุภิกษุณีสัมเนสัมเนรีแล้วก็นางศิกข า, าน า, านาั้นถาแม้จะสงสัยว่าอะไรควรหรือไม่ควรเ็าเรียกว่ากัปปิยะหรืออกัปปิยะทีนี้พอเกิดสงสัยมังจะมีปัญหาในดันวินยัยเพราะวินัยนั้นเหตุที่พระต้องอบัตเนี่ยมีอยู่หข้อทั้งหมด ท่านก็ไปมีปัญหาอยู่สองสมข้อคือข้อหนึ่งก็คือไม่รู้ว่ามจะเป็นอบบัตรข้อ2ก็คือสงสัยว่าจะเป็นนบัตรหรือไม่เป็นนบัตรแล้วอาจจะทำลงไปข้อที่สก็คือไปสำคัญว่าควรในเรื่องที่ไม่ควรหรือสำคัญว่าไม่ควรในเรื่องที่ควรแต่ในปัญหาเรื่องวินัยเนี่ยถ้าสงสัยแล้วคืนทำเนี่ยท่านปรับเป็นนวัตุกก มันจจะมีอบัตอื่นอยู่ด้วย เ, เช่นสมมติว่ า, าของที่ยังไม่ได้ประเคนเนี่ยเขาห้ามมา่ให้พระฉันแล้วท่านเกิดไปฉันเข้าทาั้งๆที่สงสัยว่าประเคนแล้วหรือว่ายังไม่ได้ประเคนไปการฉันไปโดยสงสัยอย่างเงี้ยท่านปรับอบัตทุกข์แต่ทีนี้ถ้าหากว่าของนั้นยังไม่ได้ประเคตมันก็เป็นอบัตปฏิตี ก็ต้องลงว่าเป็นอาบัตสองข้อท่านเรียกว่าสองตัวนะฮะท่านนับเป็นตัวก็นับแปลกเดียวกันท่านก็สงสัยอย่างนี้เลยเรื่องธรรมบ้างเรื่องพระวินัยบ้างเก็ทําให้เพื่อนได้เรียกท่านว่าเป็นพระกังขาเรวัติคือบ ร, ริวัติที่มากไปในความสงสัย ต่อมาเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตวันเนี่ยท่านก็ไปนั่งคูบันลังตั้งกายตรงรำรงสติไว้เฉพาะหน้าพิจารณากลางขาวิตรนวิสุทธ์คือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย่ข้อนี้เป็นเกี่ยวข้องกับองค์ธรรมอีกชุดหนึ่ง ก็คือวิสุทธิทั้งเจ็ดประการวิสุทธิทั้งเจ็ดประการที่จริงก็เป็นหลักการปฏิบัติที่ส่งแสดงแนวคล้ายๆกับเป็นรถเจ็ดรถทำนองคล้ายๆกับเราเดินทางเพื่อจะไปในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนยานพาหนะในแต่และช่วงแต่และช่วงเนี่ยเจ็ดครั้งด้กันจนถึงจุดหมายปลายทาง อุปันนีเป็นอุปมาอุปมาข้อนี้เป็นอุปมาที่พระมหาโกจิตะท่านปุปมากับพระสารีบุตรพระสารีบุตรกับพระมหาโกจิตะกับพระพุณณมนตานีนะพะกับพระปุณณมนตานีบุตรก็อุปมาก็เป็นเรื่องของศีเรื่องสมาธิ เขเรียกว่าศีลวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์หมดจดระดับศีลเป็นการบาเพ็ญเพียรระดับศีลที่มีความบริสุทธิ์หมดจดซึ่งก็หมายความว่าในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราชำระอาบัติเรียกว่าชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็บำเพ็ญเพียรทางจิตตอนนั้นศีลก็บริสุทธิ์ เพราะเราไม่มีการกระทําอะไรทางกายกระทำวาจาคือศีลมันไปปรับที่กายกระวาจาตา น, นั้นเองแล้วจากนั้นก็จะเจริญสมาธิพอเจริญสมาธิไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจท่านบริสุทธิ์มันก็ผ่านไปจนถึงจุดที่เป็นฌานนะเป็นฌานคือหมายความว่าเข้าสมาสมาธิกับบรรลุฌานทีนี้พอบรรลุฌานแล้วก็ ตอนถึงจะตุไทชานเนี่ยนะก็น้อมจิตเข้าไปพิจารณาขันห้าตามพระไตลักษ์ตำหลักของไตรลักษ์ซึ่งในช่วงตงัวนี้ท่านบอกว่ามันก็อาศัยสมาธิเป็นปทัทถฐานแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา หลังจากจิตบริสุทธิ์แล้วอย่างที่พระเจ้าทรงกระสรู้เนี่ยทรงใช้ที่จะตุถิชาิแล้วก็เมื่อถึงจุดนี้ก็ยกขึ้นสู่วิปัสนาวิปัสสนานั้นก็คือเอานามารูปรูปธรรมนามธ ร, รรมทั้งหลายมันก็หมดโลกแล้วนะฮะรูปธรรมนามธ ร, รรมขึ้นมาพิจารณานามในแต่แนวของไตรลักษณ์ที่ท่านเรียกว่า รู้จักแยกเป็นส่วนส่วนโดยปัจจัตลักษณะคือลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะของเรื่องนั้นๆไว้สิ่งนั้นเป็นยังไงเส้นเช่นสมมติว่ายกกรูปขึ้นมาพิจารณาอย่างแนวคาถาที่พระใช้บังสกุลบังสกุลศพ มันคือแนวของการพิจารณาแนววิปั ส, สนา ต, ตอนนั้นก็เอาศบนะฮะศพก็คือรูปเป็นอารมณ์ในการพิจารณาท่านที่ทรงยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องอนิจจงคือหมายความว่าคือจะเริ่มที่อนิจจงก่อนหรือทุกขังก่อนหรือนับตา ก, ก่อนเนี่ยก็ได้ก็แล้วแต่ พื้นฐานทางบารมีของท่านเหล่านั้นว่าท่านเห็นอะไรก่อนท่านก็เริ่มที่ตรงนั้นเพราะนั้นก็เรยยกขึ้นสู่ใจลักเนี่ยจนมองเห็นความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์หรือความเป็นอนัตตาไม่เชี่งคือยังไงคือสังขารทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไป ถ้าเรามองจริงๆก็ดับเกิดดับแบบทียิบเลยนะฮะก็กาหนดไม่ทันแล้วก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแล้วก็ขัดแย้งกับสภาวะที่เชื่อกันว่าเชื่องคือสภาวะอย่างนั้นเนะี่ยถ้ายังเป็นโลกิยะอยู่มันไม่มอีอันนี้เชื่องอย่างเดียวก็คือปณิพาน์ แล้วก็เป็นการดำรงอยู่เพียงช่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งทากลางความแปรปรวนเปลี่ยน แ, แปลงนะฮะอันนี้ก็ทีนี้ท่านจะเห็นอะไรก่อนก็ได้ลักษณะเหละนี้ไปละรายละเอียดเนี่ยท่านก็อาจจะเห็นชัดเจนในจุดใดจุดหนึ่งก่อนแล้วจากนั้นก็ยกขึ้นสู่ทุกขตา คือจะมองในแงน่ของความเป็นทุกข์เช่นสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากปัจจัยปรุงแต่งเป็นรูปธรรมบ้างเป็นนมามธรรมบ้างเป็นกระบวนการทำธรรมชาติบ้างคนไปทำเข้ามาบ้างหรือผสมกันทั้งสองอย่างบ้างก็แล้วแต่ก็แสดงว่าเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วก็ จะถูกแผาด้วยปัจจัยทั้งภายในภายนอก ก, ก็เกิดความรักษาสถานะดั้งเดิมไม่ได้คือคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นมีความร้าร้อนด้วยประการต่างๆแต่ความาร้อนเองมันก็ไม่นิ่งอีกแล้นะฮะร้อนมากร้อนน้อย เปลี่ยนแปลงไปเรื่อแล้วก็เป็นอนัตตาหรืออนัตตาตาคือหนึ่งนี้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาสองเนี่ยอันมกันข้ามกับสภาวะที่เป็นอตตาตัวตนตามความเชื่อแบบเทวนิยมพรักษณะอย่างนั้นไม่มีอยู่อย่างแท้จริงคือถ้ามีก็เพียงแต่ว่า อายุท่านยืนเท่านั้นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระมชาชลสูตรถึงพรหมที่เข้าใจว่าตัวเองเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอายุท่านยืนแล้วคนได้เห็นท่านเนี่ยอายุสั้นกว่าท่านก็หมายความว่าตัวเองเห็นท่านเกิดแล้ว แล้ตัวเองก็ตายไปแล้วมาเกิดก็เห็นท่านอย่างอยู่เหมือนเดิมก็นว่าท่านเที่ยงพรมเองก็เกิดอุปาทานก็ยึดถือว่าตัวเองเทียงแล้วก็บอกล่าวแก่คนอื่นด้วยความเข้าใจผิดว่าตัวเองเที่ยงแท้คนอื่นก็เชื่อตามท่านว่าเที่ยงแท้แต่ก็จริงก็ไม่ได้ถามต่อนะว่าเที่ยงแท้ไปทำอะไร ซึ่งซึ่งซึ่งเราก็หาคำตอบไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครคิดจะตอบประการที่สามก็คือว่าพอย่อยออกไปแล้วเนี่ยมันอาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ก็เป็นอนูเป็นปรามณูไปแล้วก็จริงเราก็ไม่เป็นเจ้าของอะไรที่เราพูดว่กของเราของเราของเร า, เราเนี่ยแล้วก็จริงเราก็ไม่มีของเรา แล้วเราก็ไม่ได้เป็นเราเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวตนอย่างที่เราเข้าใจว่าเราเป็นเป็นการเข้าถึงความจริงที่แท้จริงทีนี้การเห็นในแนวเนี้ยการเห็นแนววิปัสสนาเนี่ยพวกกิเลสเขาต้องลดนะกิเลสที่ตัวหลักมากๆเนี่ย คือเวลาทรงเรียงนี่ทรงเรียงเป็นเป็นทิฏฐิเป็นมานะแล้วก็เป็นตัณหานะแต่ว่าเวลาสอนมากๆาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสอนตัณหาก่อนนะที่จริงมันเชื่อมมาจากทิฏฐิคือหมายความมาเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวตนแล้วก็มานะถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างน้น เราก็ไปเข้าใจว่าไอ้สิ่งทั้งหลายที่เราครอบครองอยู่เนี่ยเป็นของเราเพราะมีเราให้ครอบครองมีเราให้เป็นเจ้าข้าเจ้าของแต่ถ้าเราไปชัดเจนว่าไอ้ตัวเราเนี่ไม่มีผลการครอบครองตลอดไปก็ไม่มีการเป็นตลอดไปก็ไม่มีเพราะไม่มีตัวตนให้เป็นเพราะในข้อนี้จึง เห็นได้ชัดเจนตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงในนัตตลักษณะสูตรเนี่ยเป็นการแสดงที่อนัตตาก่อนคือทรงสอนที่อนัตตาก่อนกระโดยสรุปก็คือว่าขันห้าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็ทรงทรงตั้งประเด็นให้คิดว่าถ้าขันห้าเป็นตัวเป็นตน ขณะก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยคือทรงใช้คาว่าจะไม่เป็นไปเพื่ออภารตแล้วเราก็ตั้งความหวังว่าขาน่ายเป็นอย่างนั้นขาน่ายเป็นอย่างนี้ขาน่ายเป็นอย่างโน้นเราก็ตั้งความหวังได้แต่เราก็ตั้งไม่ได้เพราะอะไรเพรบบาะมันเป็นอนัตตาขณะจึงเป็นไปเพื่ออภารตคือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ แล้วก็สัตว์ไม่สามารถจะตั้งความหวังให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการได้มันก็ย้อนกลับไปให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นของเราจริงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนจริงๆเพราะพอย่อไปไม่เหลืออะไรคือศูนย์เป็นของศูนย์ที่เรียกว่าศูญญตาเรือนัตตาเนี่ยในย่าหนึ่งก็หมายความว่าศูนย์ ปัญหามาณทิฏฐิจะไม่จะลดเพราะฉะนั้นจึงรับสั่งถามในช่วงที่สองเนี่ยประดุก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อ น, นี้เป็นขนหนคือเธอคิดอย่างไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อได้ฟังเนยะของอนัตต า, ตาแล้วขาน่าเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยง ท่ก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรับสั่งว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านก็บอกว่าเป็นทุกข์ประชาค่ะรับสั่งให้คิดบทสรุปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นการส่งวดหมายที่เราจะไปยึดถือว่านั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเราท่านปญเญญวคีก็กราบทูลว่า ไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะแต่ว่าใจมนุษย์มันสายนะหมายความว่าเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงก็ยังนึกว่าก็ไปคว้าสิ่งอื่นที่ตัวเองเข้าใจว่าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็คว้าไปเรื่อยอย่างที่ส่งแสดงแนวของสติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐานสูตรก็เริ่มแสดงที่กายพอคนเห็นว่ากาย เอาเรื่องราเอานิยาอะไรไม่ได้ก็ไปคว้าเวทนาก็ไปสอนที่เวทนาเห็นเวทนาไม่เรื่องในราวอะไรก็ไปคว้าที่จิตเห็นว่าจิตแล้วก็เอาก็จริงไม่ช่ตัวไม่จะตนไม่จะเราไม่จะเขาเหมือนกันก็ไปคว้าที่ธรรมกุศลบ้างกุศลบ้างกลางๆบางเพราะงั้นก็ตามแสดงไปเรื่อยเห็นว่าเอาก็จริงมันไม่มีอะไร มันเป็นการเกาะกลุมเป็นการประชุมร่วมกันของสังขารทั้งหลายท่านั่นเองมันคล้ายๆกับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันเริ่มต้นจากไม่มีบ้านบ้านมันเป็นความคิดของคนที่จะสร้างบ้านมันเกิดความคิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นรูปธรรมออกแบบแปนแผนพังต่างๆะผ่านขั้นตอนไปเยอะจนกว่าจะเป็นบ้านเพราะงั้น ก็ทรงแสดงให้เห็นว่าเพื่อเพื่อสกัดกั้นจิตไม่ขวอยว้าไปที่อารมณ์อื่นคือคันห่าประเภทอื่นซึ่งแนวนี้เราจะเห็นว่าไม่ไม่เหมือนกับแนวศีลธรรมจร ญ, ญาแนวศีลธรรมจรร ญ, ญาจะพูดอีกเรื่องนึงคือเป็นการตกแต่งภพชาติประณีตมีภพมีภูมิจิตสูงขึ้นมีภพที่จิตอุบัติประณีตขึ้น แต่ก็ถามว่ามีตัณหามาน้ทิฏฐิอยู่ไหมมันก็มีนะฮะเพียงแต่ว่าประณีดขึ้นกิเลสไม่แรงเกินไปบางครั้งจะสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์อะไรเนี่ยเป็นอีกระดับหนึ่งนะฮะคือเป็นการพูดอีกแนวหนึ่งถ้าใจท่านไปได้มันก็เข้าเหมือนกันเข้าวิปัสสนาเหมือนกันถ้าใจยังไปไม่ได้ก็เอาแค่นั้นก่อนเอาแค่ทานก่อนแล้วแค่ศีลก่อน เอาแค่ okay. ธรรมะปฏิบัติต่างๆไปก่อนอันนั้นเป็นเรื่องตบแต่งภพชาติแต่มันประนีตขึ้นก็เรียกเป็นระดับศีลธรรมจัญญาทั้งหลายเป็นประโยชน์ในโลกนี้กับประโยชน์ในโลกหน้าแต่พอมาถึงตรงนี้มันเป็นการพูดอีกระดับแล้วนะเป็นการพูดถึงประโยชน์สูงสุดพระวก็ส่งแสดงโดยสรุปว่าโดยสรุปนะฮะว่ารเรดนั้นแลที่สุทั้งหลาย ขันห้าที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประนีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันห้ามันก็สับแต่ว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวใช่ตัวของเราเธอทั้งหลายพึเงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้นะตรงนี้เราจะเห็นว่า พอมันเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยท่านจะจะตั้งคำถามไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยว่าการกำหนดปัจจัยจับปัจจัยของนามรูปว่าพระอะไรเกิดเกิดขึ้นนามรูปจึงเกิดขึ้นพระอะไรดับนามรูปจึงดับจนเป็นเหตุสิ้นความสงสัยในนามรูปทั้งที่เป็น มาแล้วในอดีต ท, ทั้งที่เป็นกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะเป็นในอนาคตแต่ทีนี้พระเรวตตเนี่ยท่านมาสงสัยในเรื่องเรื่องขันห้าข็น้าก็สงสัยในการทั้งสามซึ่งซึ่งก็คนก็เป็นอย่างนั้นนะก็อย่างที่เราอะไรล่ะดูหมอกันในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามันก็มองไปสงสัยในการทั้งสามเหมือนกันแต่ว่า ส่วนใหญ่มันจะเป็นอนาคตถ้าเราสังเกตคำถามที่เด็กเขาถามถามเนี่ยฮะกิดจะถามในในอนาคตมากกว่าในเรื่องปัจจุบันกับเรื่องอดีเพราะในกังขาหรือความสงสัยมันจะออกมาท่านนับเป็นเป็นนะฮะท่านนับเป็นสิท่านจัแนกแสดงไว้ในวิสุทธิมรรคที่จริงในอัตกถา ในถาของเรื่องพรเวตะเนี่ยก็มีก็แสดงซ้ำกันหมายความว่าก็โคดกันไปโคดกันมานะวิสุธิมรักก็เป็นผลหางานของพระพุทธโคษาและก็ตรกถะทาจา์นี้ก็เป็ น, นตักถกทานี้ก็เป็นผลงานของพ ร, ระพระุทธโคษาเหมือนกันไม่ใช่พระธรรมโกษาจารย์ให้ไปใช้พระพุทธโคษา เขบอกว่าในการนานที่ล่วงแล้วเนี่ยเรามีไหมหรือว่าเราไม่มีหรือเราได้เป็นอย่างไรเราได้มีแล้วด้วยหรือว่าเราเป็นอย่างไรแล้วก็ได้เป็นอย่างไรต่อไปเราเป็นการคำถามที่ประรบเรื่องส่วนของอดีต ในาความว่าชาติก่อนมีไหมเราเคยเกิดมาไม้แล้วเคยเกิดเป็นอะไรเนี่ยก็ถามปัญหาไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ความคิดเหล่านี้พอพอย่อยไปรายละเอียดยมันก็เหมือนกับเรื่องเรื่องสักกายทิฏฐิที่ความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยคือพอย่อยไปสู่มันจะกลายเป็นสักกายทิฏฐิถึงถึงยี่สิบได้แกน เห็นตนเป็นรูปรูปเป็นตนดนมีในรูปรูปมีในตนก็อย่างละสี่นะสี่ห้าก็ยี่สิบก็เป็นสักกยะทิฏฐิคือ 20, ยี่สิบวกันแล้วก็ความเลรีแคลงสงสัยตรงเนี้ยก็มาอยู่ในเรื่องของอนาคตว่าในการนานที่ยังไม่มาถึงเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรหนอ หรือเราจะไม่เป็นหรือเราจะเป็นอะไรหนออย่างไรแล้วเราจะเป็นจะเป็นเราเป็นอย่างไรแล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อไปเราก็ตั้งคําถามถามเรื่อยนะคจะ น, น้องถามมาติหน้าเราจะเกิดอีกไหมอ่ะพอก็บอกเกิดอีกเราจะเกิดไปยังไงมีสุขมีทุกข์ยังไงมีรูปร่างหน้าตายัางไงเกิดที่ไหนก็ถามรายละเอียดแล้วต่อไปจะไปเกิดเป็นอะไรก็ถามต่อไป เพราะฉั้นทั้งๆ ท, งที่ท่านมองเห็นตรงนี้มันยังไม่ได้มองเห็นในรูปกระบวนการของธรรมชาติแต่ยังมองในรูปที่เรียกว่าเป็นตัวตนอยู่เพราะงั้นก็ยังคือทิฏฐินี่ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่บริสุทธิ์ความเห็นยังไม่บริสุทธิ์เห็นบริสุทธิ์มันจะเห็นเป็นกระบวนการของใจลักที่เกิดขึ้นแก่ขันทั้งห้า แต่ความรู้เห็นนั้นก็ทำให้ตนามานะทิฏฐิทันลดไปจนถึงก็หมดไปนะฮะจนถึงก็หมดไปแต่ว่าพวกนี้พอถึงจุดสมบูรณ์ในมานะมันมันลึกนะฮะมานะนี่ลึกผลจะลับมานะได้ต้องเป็นพระาอราหารันติทิฏฐินั้นประสูดาบันละได้นะฮะแล้วก็ตัณหาที่เรียกว่าพวกกามราคะ พระาคามีลาได้แต่ว่าตั้หาในตัวนามธรรมในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยกระมังแห่งชาญที่เรียกว่ารู ป, ปราคารู ป, ปราคาเนี่ยคนลาได้ก็ต้องเป็นพระอาหารเปิดเรื่องนี้เรื่องใหญ่มีสามข้อจริงๆแต่เรื่องใหญ่บาะคนจะกระจัดเขาได้จริงๆต้องเป็นพระอาหารแต่ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอาหารแล้วก็ยังทําอะไรเขาไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็สงสัยในตัวปัจจุบันว่านี่คือเราหรือเปล่าหรือว่าเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าหรือเราเป็นอะไรเราเป็นอย่างไรเรามาจากไหนเราจะไปไหนมันก็เกิดความเครียดแข่งสงสัยในลักษณะอย่างนี้พิ่าตาปกติแล้วเนี่ยพอสงสัยนี่มันจิตจิตมันจะหยุดมันจะถูกเนี่ยวรั้งเอาไว้ คือไปไม่ได้มันเกิดภาวะชะ ง, งักงนันเพัทธ์พระเรวตัตท่านก็มีลักษณะอย่างเนี้ยพระกังขาเรวัตท่านก็มาเครือบแครงสงสัยอยู่ในลักษณะอย่างนี้จนมาถึงจุดหนึ่งท่านก็จัดตรงนี้ได้พอจัดได้บางก็กลายเป็นเ็าเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธ์คือความหมดจดแห่งจานนะเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย ก็จัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปได้ก็เรียกว่าเป็นกังขาวิจนาวิสุทธิ์ทีนี้ถ้าเราจะถามว่าอะไรเป็นปัจจัยรูปเกิดรูปใวหนาตัญหาตังขาบิญญาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรคือท่านแสดงว่าเป็นกิเลสกัมกรร ม, นะมันต้องกลับไปที่โน้นนะฮะกลับไปตร่มกรมแห่งสังสาระจัก ในยะแห่งพระพุทธคุณบทว่าอารหังที่ท่านอธิบายว่าผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏธรรมกำแห่งสังสารวัฏคืออะไรก็คือวิชาตัณหาอุปาทานกรรมวิชาตัณหาอุปาทานกรรมนี่ก็ถือว่าเป็นกรรมแห่งสังสารวัฏแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสามัญยปัจจัยแห่งนามรูป เป็นปัจจัยสามัญทีนี้ในขณะเดียวกันมันก็มีอาหารมีอาหารซึ่งเป็นวิสามัญญปัจจัยแห่งวิญญาณอันเป็นส่วนจิตเอ่อมันเกิดอายตนาภายในภายนอกนะแล้วก็เป็นวิสามัญปัจจัยแห่งจิตวิญญาณนะเป็นส่วนจิตผัสสะันเกิดจากเกิดเพราะวิญญาณก็เป็นวิสามัญปัจจัยโดยตรงแต่โดยอ้อม ของเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นส่วนเจตสิก ท, ที่รวมกันเข้าเป็นนามแปะงนันพอเข้าพอข้ามความต้องสายได้เนี่ยนะจิตมันก็จะเดินไปสู่ที่เรียกว่าจำแนกได้ว่าอะไรเป็นทางหรือไม่จะทางเขาเรียกว่ามัคคามัคญายานาทัศนวิสุทธ์กว่ามหมดจดแทง ยานเป็นเครื่องเห็นว่าอะไรเป็นทางหรือไม่จะทางพอถึงตรงเนี้ยพอท่านพิจารณาอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งพระพุทธูทานก็ปรารพพระกังขาเรวัตแต่ก็ไม่ใช่เป็นการเทศสอนพระกังขาเรวัตเป็นการสะท้อนสภาพจิตของพระกังขาเรวัตออกมาว่าในขณะนั้ น, นจิตท่านเป็นยังไง บอกว่าความสงสัยอย่างเดิงอย่างใดในอัตภาพนี้หรือในอัตภาพอื่นในความรู้ของตนหรือในความรู้ของผู้อื่นบุคคลผู้เพ่งพินิษ์มีความเพียนประพฤติปรมาจรรันอยู่ย่อมละความสงสัยเหล่านั้นได้ทั้งหมดกระมาความมาในขณะนั้นจิตของท่านเนี่ยก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย ก็บรลุมาผลเป็นประหารเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพอถึงตรงนี้กล่าวโดยสรุปก็คือว่ามันก็จัดความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตภาพของเราเองคกล้ๆกับเราไม่ข้องใจไม่ติดใจอะไรหรอกว่าเราเป็นปัจจัยของของ เหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดเป็นเราขึ้นมาเนี่ยสมมุติเป็นเราขึ้นมาเนี่ยเพราะวิชาตนาวประทานกรรมแล้วก็พวกอาหารอ่ทีนี้พอเกิดไปแล้วมันก็กลายเป็นบวกปิญญาณนามรูปอายตนาผัสเวทนาก็ว่ากันไปยาวกันออกไปแต่อาจจะคิดถึงไอ้คนอื่นล่ะเมื่ออาจจะไปสงสัยไปคล้องใจในคนอื่นนี่ เอ้คนอื่นต้องเกิดอีกไหมอะไรแต่ไรเนี่ยเราจะพบว่าคนมาถามแล้วุทธได้เจ้าเยอะแต่คนนั้นตายไปแล้วไปไหนแล้วก็ไปเกิดที่ไหนมีสุขทุกข์ยังไงนะพระเจ้าก็รับสั่งตอบไปก็ทรงแสดงเรื่องนี้อยู่หลายครั้งนะฮะพบบ่อยแล้วก็อย่างพวกในวิมานวัตถุในเปตตวัตถุเนี่ย มันก็พูดถึงผลบุญผลบาปที่ทำให้คนไปเกิดในสถานที่เหล่านั้นหรือบางทีพระหันทานนิพพานเนี่ยก็มีการถามถึงสถานที่อุบัติของพรา์เหล่านั้นก็จะทรงสแสดงไปตามทุงควรแก่กรณีของบุคคลความสงสัยเหล่านี้เป็นการเชื่อมโยงกันของวิจิกรศาสนะ เราเห็นว่าในวิจิกิจาเองเนี่ยมันจำแนกไว้เป็นแปดขอ้อเครื่อแครงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจศิรษะแล้วก็ในอดีตอย่างที่ว่าตะคิดเนี่ยเราเคยเกิดมาแล้วหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดแต่เราเกิดเราเกิดเป็นยังไงนะจากนั้นก็เป็นยังไงเป็นอะไรต่อไปตายเป็นนั้นแล้วจะเกิดเป็นอะไรต่อไปเนี่ยก็ก็ก็สงสัยไปเรื่อย ดังนั้นท่านจึงออแสดงให้เห็นว่าความเครือข่ายสงสัยที่จะดับได้เนี่ยคือของวโสดบันเนี่ยไม่ใช่คือในในวิจิกิจฉาเนี่ยสงสัยในชีวิตอดีตสงสัยในอนาคตชีวิตในอนาคตสงสัยพูดง่ายว่าสงสัยขันห้าในอดีตสงสัยกันห้าในอนาคตสงสัยคันห้าในปัจจุบันคือทั้งอดีตทั้งอนาคตนะท่านเรียกว่า ทางอดีตทางอนาคตแล้วก็สงสัยในกฎของปัจจิยการปัิกิยการมันเป็นกระบวนการที่หนุนกันไปสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับหมายความมาดับด้วยกันก็เกิดด้วยกันทีนี้ถ้ายัางมองไม่เห็นเหตุปัจจัยเหล่านั้นมันก็ละพวกตหามานาะทิชีต่างๆนี่ไม่ได้ทีนี้พอท่านเดินมาอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งนะฮะท่านก็บรรลุได้ กังขาวิตนาวิสุทธ์มันเป็นอยู่ระดับระดับสี่พอถึงห้ามันก็เป็นมะขามะขายานาทัศนาวิสุทธิพอถึงหกมันก็เป็นหลักได้หลักแล้วเขาเรียกปฏิปทายานาทัศนาวิสุทธิมันความหมดจดแห่งยานเป็นการรู้ถึงหลักการปฏิบัติที่จะทําตนให้หลุดพ้นนะอย่างที่ทรงแสดงแก่พระบัญญัติยกไวตะกี้เนี่ยฮะ ในข้อที่ว่าข้อนี้อันตรอทั้งหลายพึงเงินด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงได้อย่างนี้ทีนี้พอเห็นชอบเนี่ยเห็นชอบมันก็พอสมบูรณ์นะก็เรียกญาณนะทัศนวิสุทธ์คือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งความรู้เห็นความรู้ความเห็นที่พอเกิดขึ้นแล้วมันขจัดตัววิชา เรียกว่าญาณทัศนาวิสุทธิบางทีก็เรียกว่าญาณทัศนะคือรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นนะแต่เป็นการรู้เห็นด้วยตาในไม่ใช่ตานอกเราจึงเรียกตาของพระพุทธเจ้าพระเนตรของพระเจ้าก็เรียกว่ามีห้าอย่างมังสะจักสุคือดวงตาธรรมดาตาเนื้อธรรมดาปัญญาจักสุคือตาปัญญาพุทธจักษุคือตาของพระพุทธเจ้า แล้วก็ทิพ ป, ปจักสุคือตาทิบเอสรมจักสุคือตัวสััญยุตญาณนะ่ะที่ทรงสัจสโลกเอสะระบันจริงๆก็ทั้งหมดก็คือปัญญาปัญญาหรือญาณหรือวิ ช, ชาหรือแสงสว่างก็แล้วแต่จะเรียกพอมาถึงจุดนั้นเนี่ยท่านก็จะเกิดญาณผุดขึ้นญาณที่ทรงแสดงว่า วิสุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนนายในรูปนายในเวทนานายในสัญญานายในสังขารนายนายนายในวิญญาณพวเบือนนายก็จะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็จะพ้นพอจิตพ้นก็จะเกิดญาณผุดขึ้นมาว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ จากนั้นก็จะรู้สถานะของตัวเองว่าชาติคือความเกิดก็สิ้นแล้วพรหมจรรย์ก็จบแล้วกิจที่ควรทำก็ทำเสร็จแล้วกิจในทํานองเดียวกันคือเกียร์เกี่ยกับการละกิเลสการพู่งานละบาปบาเพ็ญบุญก็ไม่มีอีกต่อไปทีนี้คุณธรรมข้อ น, นี้ที่ทรงสอนนีท่ทรงแสดงก็คือว่า มันก็จัดความสงสัยในความรู้ของตนหรือในความรู้ของผู้อื่นมาความความรู้ของตนเนี่ยไปสอดคล้องกับความรู้ของผู้อื่นคือของพระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าพระหันตั้งหลายเนี่ยมันสอดรู้นสอดคล้องกันรู้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เช่นถ้าเหล่านี้จึงเรียกว่าอนุพุทธะคือรู้ตามที่พระพุทธเจ้ารู้บางทีภาสาวกับพุทธะ เรเรียกว่ารู้ซึ่งเกิดขึ้นจากการฟังการฟังของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นอย่างจริงๆแล้วพวกเราเราไม่ได้ฟังโดยตรงนะฮะเราไม่ได้กว่าสาวกแต่นั้นในพุทธวัตนจึงมีพระสุภัทธะเป็นปัจฉิมปัจฉิมสาวกนะฮะเป็นคู่ฟังจากพระโอษฐโดยตรงของพระพุทธเจ้าคนสุดท้ายก็ถือสุภัทธะปริภาชกเราก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชน ไม่ได้ฟังจากพระองค์โดยตรงได้คํานี้เอาไปใช้แปลกือสุดเป็นห่วงเวียเนี่ยหนังสือพิมพ์บางฉบับยชอบใช้สิบห้าอรหรันสามอรหรันท่าอรหรันยี่สิบสามอรหรันอะไรแต่ชอบใช้และที่น่าสังเกตก็คือหน้าตําหนิก็คือหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะังือพิมพ์สยามรัฐจะอยู่ในหนังสือพิมพ์อนุรักษ์นะฮะ แต่ททำไมชอบใช้คำหล่อนี้ในในหนังสือพิมพ์ของตัวเองก็อย่างนึนกว่าหลังได้เจอผู้ใหญ่ในสยามราชเจะเตือนกันหน่อยว่าอย่าใช้เลยสงสารสงสารนามของอารหารันเถอะมันเป็นบาปมันเป็นอัปมงคลแล้วไม่เป็นมงคลระดับใครก็ตามที่ถูกเรีย ก, กว่าอารหันนะไม่เป็นมงคลหรอก แล้วก็เย่นี้พวกนักร้องอะไรต่างๆเนี่ยพวกเต้นอะไรพวกเขาเรียกอะไรเพลงดังๆขุมครามขุมครามเขาเรียกาสาวกหรือพิมพ์หนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุเนี่ยเขรียกสาวกสาวกของดาราสาวกของนักร้องอะไรต่อะไรเขารียกาสาวกก็แปลกนะฮะคือคําเหล่านี้บางทีมันต้องยอมรับว่าเป็นคําระดับสูงที่เราไม่ใช้ไม่ใช่แก่คนดูทั่วไปนะ่ย คือก่อนเนี่ยมันมีความละเมียดละไมยอย่างสมมติว่าฉายาของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อ น, อนหรือฉายาของเจ้านายนะเจ้านายที่ส่งพนวด เ, เจ้าฟ้าพระเจ้าแผ่นดินที่ส่งผนวดเนี่ยฉายาเหล่านี้เขาไม่เอามาใช้ถือว่าขาดความเคารพเึนะ่าของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ว, ว่าวชิระยานโนเนี่ยในวงของคณะธรรมยุทธเนี่ยเขาไม่ใช้เลย ถือว่าขาดความเคารพแม้แต่เวเนี่ยสุจิตโตอย่างเงี้ยสุจิตโตของสมเด็จสังราชเจ้าของราชวงศ์ชื่นเนี่ยเขาก็ไม่ใช้แต่ในที่บางแห่งไปชนบทอ่งอางไกลออกไปก็อาจจะใช้นะครเพราะว่าท่านแต่งคิดชื่อไม่เคยเป็นธรรมะที่ทรงใช้เนี่ยก็คือฌานนะครแสดงว่าเพราะอะไรเพราะท่านจเจริญศีลเจริญสมาธิจเจริญวิปัสสนานะฮะ พูดง่ายๆว่าศีลสมถาวิปั ส, สนาถ้าเราเรียงตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็เป็นศีลสิกขาเป็นจิตสิกขาเป็นปัญญาสิกขาห้าข้อหลังเนี่เป็นปัญญาสิกขาข้อแรกก็เป็นศีลสิกขาข้อที่สองก็เป็นจิตสิกขาห้าข้อหลังก็เป็นปัญญาสิกขาก็เรียกว่าไตรสิกขาครบสมบูรณ์นะไตรสิกขาครบสมบูณ แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดมาเฉพาะเพ่งพินิษฐ์คือตัวฌานนะแต่ก็มีความเพียรคือมีสมาวัญญัตแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นหลักการในการปฏิบัติพัฒนาจิตให้มีความประนนิอดิ่งขึ้นไปพอถึงจุดหนึ่งก็ทําลายความสงสัยได้นะทำลายความสงสัยออกไปจากจิตใจได้ฟังพระกังขาเรวัต เราจะเห็นว่าก็ได้บรรลุมรคผลเป็นพระหันคล้ายๆก็ต่อพระพักพระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายนะท่านอธิบายไว้ว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งในชานโนตาปะชะอันติสปาอาตาปิโนพระเมจยังจรันตาเคยชื่อว่าเป็นผู้เพ่งฌานด้วยอารามนุ ปาิจาร์คือเพ่งดูอารมณ์ตอนนี้เป็นสมถะนะครเป็นธรรมถะแล้วลักขณุปานิจาร์คือเพ่งดูลักษณะลักษณะก็คือสามัญลักษณะอันนี้เป็นมิปัจฉนาแล้วก็มีความเพียรความเพียรในยังไงก็ต้องใช้เร่นะฮะไม่ไม่ใช้ไม่ได้เพราะเป็นตัวพลังกับเคลื่อนแต่เราจะเห็นว่า ตรงนี้ถ้าเรามองแบบอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์สมบูรณ์นะฮะมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็เพราะบริบูรณ์ด้วยสมประทานสี่คือสมาวยามะธีนะฮะประพฤติอยู่คือได้รับมัคคุปปมจันย์ มรคพระมจันในที่นี้ก็หมายถึงปฐมมรรคนะฮะตั้งแต่โสดาปฏิมาขไปเนี่ยแล้วก็ใจก็เพิ่มศรัทธาประสาทธาขึ้นไปในใจเพราะว่าพระโสดาบันนั้นจะมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าประธรรมพระสงฆ์ในใจสิกขา เด็นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงส่งชมเชยการบรรลุอริยมรรคของท่านกังขาเรวตะโดยชาณมุก ค, คือหมายความมายกชาญขึ้นเป็นประธานแต่ไม่ใช่บรรลุด้วยชาญ น, นะฮะคือภาษาเหล่าเนี้ยภาษาที่สะท้อนอย่างเงี้ยสะท้อนได้เยอะหรือสะท้อนจากตรงไหนก็ได้อย่ากที่เคยยกตัวอย่างว่าเวลาพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงพระองค์ เกิดจะใช้คำสามคําเนี่ยเรียกว่าซ้ํากันเกิดทุกแห่งเลนะเรานั้นเมื่อเป็นประโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัตรูเป็นผู้มีความเพียรไม่ประมาทมีตนส่งไปแล้วแลอยู่นะจะใช้คําอย่างเงี้ยจะตลอดก็แสดงว่าสติสัมมัญญาความเพียรนะเป็นตัวหลักเนี่ยสติสั ม, มย ญ, ญาความเพียร ที่ทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรก็ทรงใช้อัตตาปิสมิจญานสติมาวิเนยายโลเกปิจารดมันัสัง่งวันใครจะปฏิบัติเมื่อไรก็ตามก็อยู่เส้นทางสายเดียวกันแล้วก็เป็นเหตุให้ชมเปล่งพระพุทธุธานชมเชยเพราะว่าโดยเฉ่าการขาจัดความเครียดแคร่งสงสายคือหนึ่งเชื่อถ้าเราเชื่อมั่นในเราก็จะกัดขจัดความสงสัยได้สองคือปัญญา สัมผัสเองสัมผัสเองคล้ายๆกับเราเชื่อในยาที่หมอให้เนี่ยชั้นแรกเนี่ยเป็นศรัทธาพอรับประทานยาตามที่หมอให้เลยมันหายมันก็เป็นสัมผัสตรงคือเป็นปัญญาต่าเทียบก็คือภาวนามย์ปัญญาเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสตรงเราก็จะ ไม่มีความเครียดแข็งสงสัยในยาขนาด น, นั้นว่าสามารถแก้โรคนั้นได้หรือไม่ได้เพราะเราสัมผัสตรงมาแล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาเจ้าซึงทรงยกย่องพระเรวัตานี่ว่าเป็นผู้ยอดของภิกษุกว่าภิกษุทั้งหลายในการเพ่งฌานคือหมายความว่าผู้มีฌานอีกฌานนี่ก็ เหตุก็คือคือเพ่งดูอารมณ์ก็ดูลักษณะนะคือสมถะวิปัสสนานั่นเองแต่ว่าผลนั้นก็คือคือฌานฌานที่เป็นผลก็คือรูปฌานสีรูปฌานสี่แล้วก็วิปัสสนาก็คือการทำลายตัณหามนาทิฏฐิออกไปนี่ก็เป็นพระเทระอีกรูปหนึ่งนะที่พระเจ้าทรงประรพแล้วก็นำมายกย่อง สมเชยจนถึงกาเป็นเอตตะทะเอตตะทะก็คือยอดของพิสุในทางเพ่งฌานหรือในทางเจริญฌานก็ตามนะแต่จริงทุกรูป ก, ก, ก็เจริญฌานนะแต่ว่าองค์นี้ก็โดดเด่นกว่าจึงได้รับการยกย่องเป็นพิเศษต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี